เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส1อมีนาคมพุทธศักราชสอ5พัหหหเป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฝังธรรมเป็นวันแรกของพระภิกษุสา ม, มเณร ที่ได้ทำการบรรพชาอุปสมบทเมื่อบ่ายของวนันเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันแรกที่จะใช้ชีวิตแบบบรรพชิตแบบนักบวชก่อนที่จะใช้ชีวิตของบรรพชิตได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ออกจากบวชแล้วพระอุปชาก็ต้อง สังสอนอนุศาสตร์คือคำสอนที่นักบวชเพิ่งจะรู้ต้องสอนอย่างทันทีเพราะว่าถ้าไม่สอนแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร mm hmm. ก็อาจจะไปทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ mm hmm. คำสอนที่ทรงสอนทันที หลังจากที่ออกจากพระอุโบสมามีอยู่8ดข้อด้วยกันสข้อแรกคื อ, อกิจที่ไม่พึงกระทำสีข้อหลังคื อ, อกิจที่พึงกระทำกิจที่ไม่พึงกระทามีอะไรบ้างคือหนึ่งไม่เสษไมถุนคือไม่ร่วมหลับนอนเสกกางสอง ไม่ฆ่ามนุษย์สามไม่ลักทรัพย์สี่ไม่อวดคนวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตนถ้ากระทำข้อใดข้อหนึ่งนี้จะขาดจากความเป็นพระทันทีไม่ว่าจะมีผู้อื่นรู้หรือไม่ก็ตามถ้าตนเองได้ทำแล้วตน รู้ว่าตอนนั้นไม่ได้เป็นพระแล้วไม่ได้เป็นนักบวชแล้วถ้าอยู่ไปแบบนักบวชก็จะไม่มีวันที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้นี่เป็นกิจที่ไม่พึงกระทําของนักบวชมีอยู่สีข้อด้วยกันส่วนกิจที่นักบวชพึงกระทําไปตลอดชีวิตก็มีอยู่สีข้อเช่นเดียวกัน คือหนึ่งการบินทบาทเนี้งชีพเวลาจะรับประทานอาหารจะฉันอาหารให้ออกบินทบาทสองให้ใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนี้คือผ้าที่ทิ้งแล้วเศษผ้าผ้าเก่าอย่าไปใช้ผ้าใหม่ ให้ยินดีกับผ้าเก่าผ้าที่ทิ้งแล้วจีวรเก่าอย่างนี้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อจะไปบวชเป็นนักบวชได้เดินทางสวนกับขอทานขาทขอทานเห็นเสื้อผ้าอภรรที่พระองค์ทรงสวมใส่ก็อยากได้เพราะสวยงามมาก ตนไม่เคยได้สวมใส่เสื้อผ้าอภารรของราชคูมารมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ทรงสละแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าของพระองค์แก่แก่ขอทานแล้วก็เอาเสื้อผ้าของขอทานมาสวมใส่แทนเพราะพระองค์ไม่ติดใจในเรื่องของความสวยงามของเสื้อผ้าอาภรรทรงติดใจยอยู่กับความเรียบง่าย ความไม่มีปัญหายุ่งยากต่อการหาเสื้อผ้าอาภรณ์มาใส่มีอะไรก็ใส่ไปตามมีตามเกิดขอให้เสื้อผ้าอาภรณ์ทำหน้าที่เพือคือปกปิดร่างกายได้ก็พอแล้วพระองค์จึงสอนให้พระภิกษุใช้ผ้าเก่ากันใช้ผ้าบางสกุล คำว่าบางสกดก็คือผ้ากก่านี่เองผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าที่ทิ้งไว้ตามถัมขยะกองขยะให้ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาสะสมไว้พอได้จํานวนพอที่จะมาปะมาเย็กบัต่อให้เป็นผ้าจีวรได้ก็เอามาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรแล้วก็ให้นํามาซักย้อมด้วยน้ําฝา คือน้ำที่ต้มจากแก่นไม้เช่นแก่นขนนเป็นต้นก็จะได้ผ้าสีกลักออกมาเป็นผ้าป่าเป็นผ้าสีของพราป่าใช้กันในสมัยพระพุทธการนักบวชต้องเป็นผู้ยินดีในความมักน้อยสันโดษเรียบนาไม่จูจ้จี้จุกจิกไม่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ ให้ยินดีตามมีตามเกิดเช่นบินตบาดก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ให้ยินดีให้คิ ด, ว, ดว่าดีกว่าไม่ได้อะไรระหว่างอดกับมีอะไรกินตามมีตามเกิดการได้กินตามมีตามเกิดนี้ดีกว่าการอดข้าวหลายเท่าด้วยกันนี่คือ ข้อสองข้อแรกให้บินตบาไปตลอดชีวิตยกเว้นถ้าชราภาพหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ายังสามารถเดินได้ไม่ควรที่จะละภารกิจอันนี้เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดตั้งแต่วันเริ่มอุปสมบทจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระ อ, องค์ พระอไม่เคยละเว้นจากการบินทบาตเลยนอกจากทรงมีภาพประชวนหรือทรงมีความฉลาภาพไม่สามารถที่จะรำกกจะทำกิจนั้นได้ทรงให้ความสำคัญต่อบินทบาตการบินทบาตเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้บินทบาตเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใสาบาต การบินดาบะท่านยึงเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์โปรดสัตว์ก็คือไปโปรดให้สัตว์ผู้ที่ไม่มีบุญได้มีโอกาสทําบุญนั่นเองการทาบุญก็ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับทาบุญกับผู้ที่มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะจะทําให้เกิดความสุขใจถ้าต้องทําบุญกับผู้ที่ไม่มีศีลบริสุทธิ์นี้ จะทำไม่ออกจะไม่อยากจะทำดังนั้นผู้ที่มีศีลจึงมีหน้าที่ต้องออกไปโปรดสัตว์ต้องออกไปบิณฑบาตเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีบุญจะได้มีโอกาสสร้างบุญด้วยการใส่บาตรนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับทั้งผู้ให้และผู้รับพาภิกษุสามเณรที่ไปบิณฑบาตก็จะได้ประโยชน์ ได้อาหารมาอย่างชีพให้อยู่ไปเพื่อจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะได้มีเวลามาบำเพ็ญสัมมาทิจฐิคือกิจทางจิตใจนี่คือเรื่องของการบินทบาเรื่องของการใช้ผ้าบางสกุลก็ได้พูดถึงแล้วข้อที่สามก็เรื่องของการอยู่ป่าอยู่คนไม้ ในสมัยพระพุทธกาลนี้ไม่มีวัดไม่มีสุติไม่มีเจดีไม่มีโบไม่มีวิหารนักบวชนี้จึงต้องอยู่ตามโคนไม้กันเพราะอยู่ในโคนไม้อยู่ตามป่านี้เป็นสถานที่สงบสงบวิเว้เอื้อเฟื้อต่อการบาเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าไปอยู่ตามสียแยกไฟแดงไปอยู่ตาม หมู่บ้านก็จะมสีสิ่งยั่วยวนกวนใจจะมีเรื่องมีราวที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบจะไม่สามารถบำเพ็ญให้ถึงพระนิพพานได้ผู้ที่ปราธนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากคนต่างคนและรูปเสียงกลิ่นรสผลทพชะชนิดต่างๆและเวลาอยู่ก็ให้บำเพ็ญการเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาปัญญาไปเพื่อให้ใจเกิดความฉลาดเกิดความสวา่างเพื่อจะได้ ดับความมืดบอดคือความหลงที่หลอกให้ไปหลงยึดติดกับกองทุ์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือการอยู่ที่อยู่ของนัก บ, บวชก็คือให้อยู่ตามป่าตามเขาตามโคนไม้ถ้าไม่มีกุติอยู่ถ้ามีกุติก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาจัดให้อยู่กุติไหนก็อยู่ไปตามที่เขาจัดให้ ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นกุติหลังนั้นหรือกุติหลังนี้นี่คือที่อยู่อาศัยกิจที่พึงกระทำสำหรับนักบวชส่วนข้อที่สก็คือให้ใช้ยารักษาโรคด้วยการดื่มน้ำมูกคือดื่มน้ำปัสสาวะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มียาก็ให้ดื่มน้ำปัสสาวะรักษาไป นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายทรงบำเพ็ญกิจทั้งสประการนี้เพราะในยุคที่บุกเบิกพระพุทธศาสนายังไม่มีผู้มีศรัทธาที่จะคอยทำนุบำรุงคอยถวายปจัจจัยสี่เหมือนอย่างสมัยนี้สมัยนี้มีผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก จึงมีผู้มาคอยสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่อย่างเหลือเฟือถึงกับไม่ต้องออกบิณฑบาตก็ได้อยู่วัดเฉยๆก็มีคนเอาอาหารมาถวายถึงที่วัดแต่นัก บ, บวชผู้ฉลาดนั้นอย่าไปหลงกับความสะดวกเพราะจะติดกับของกิเลสตัณหาจะติดกับข อ, ของการเวียนว่ายตายเกิด ต้องยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เสมอไม่ว่าจะมีศรัทธาญาติโยมจะมาขอร้องไม่ให้ไปบิณฑบาตก็จะไม่ฟังจะฟังแต่พระพุทธเจ้าพระป่านี้ท่านจะบิณฑบาตชาวบ้านจะนิบนให้อยู่วัดในวันพระก็จะไม่อยู่ไม่เหมือนกับวันตามหมู่บ้านตามในเมือง ชาวบ้านอยากจะมาวัดก็เลยขอร้องไม่ให้พระไปบิณฑบาตในวันพระกันแต่สำหรับพระป่านี้ท่านไม่ยอมท่านกลัวว่าจะเปิดช่องให้กิเลสตัณหาคือความเกลียดร้านเข้ามามีบทบาทเพราะถ้าไม่ได้บินธบาตแล้วเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัยไปได้ซึ่งก็ปรากฏมีเป็นจำนวนมากที่หลังจากไม่ต้องไปบินบาต มีญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายถึงที่วัดก็เลยสละสิทธิ์การบินทบาทไปสละการแสวงหาพระนิพพานไปขอหาความสุขที่ปลายลิ้นไปก่อนนี่ก็คือเรื่องของการบินทบาทเรื่องของการอยู่การโขกการฉันของพระภิกษุสมเณรเอง ถ้าไม่มีการพูดถึงไม่มีการกล่าวถึงเลยก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาอย่างไรและทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรเพราะสะภาพของการกินอยู่ของพระภิกษุสัมมเนตในยุคปัจจุบันนี้ไม่สอดคล้องกับการกินอยู่ของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์เลยการกินอยู่ของพระภิกษุสั ม, มเนต โดยเฉพาะวัดในบ้านในเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัดถุดีจะกินอยู่ดีกว่าคารวาดญาติโยมเสียอีกผู้ที่มาบวชใหม่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ทราบถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็จะหลงคิดว่าเห็นพระที่เขาอยู่กันอย่างหรูหรา ว่าเป็นวิถีชีวิตของพระที่พึงจะร์ดำเนินที่พึงจะปฏิบัติตามแล้วก็มีการดำเนินปฏิบัติตามกันมาอย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะเห็นวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าต้องไปหาพระที่อยู่ในป่าในเขาแต่ถ้าไม่ไปแล้วก็จะไม่เห็นจะเห็นพระที่อยู่ในบ้านในเมืองที่มีวัตถุต่างๆ อำนวยความสุขอำนวยความสะดวกแต่เป็นความสุขทางร่างกายเป็นความสุขของกิเลสตัณหาที่จะผูกมัดให้ใจต้องเวียนกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่มีวันสิ้นสุดแต่แต่ผู้ที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านั้น เป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งกะปากฏมีพระที่เป็นผ้าป่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากเวลาตายไปอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าได้บรรลุถึงพัานิพพานแล้วแต่ส่วนอัฐิของพระที่อยู่ในบ้านในเบื้องนี้ ไม่เคยปรากฏว่ามีกลายเป็นพระาธาตุเลยแม้แต่องค์เดียวนี่คือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรที่จะคํานึงควรที่จะพิจารณากันว่าการมาบวชการมาวัดนี้มาเพื่ออะไรกันแน่การมาบวชการมาวัดนี้ก็เพื่อมาแห่งหาแสงสว่างแห่งธรรมมาศึกษา พอได้แสงสว่างแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้นำพาชีวิตให้ห่างไกลจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนพระธรรมคำสอนนี้เพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติ เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพื่อการยุติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเหมือนกับเรื่องของโรงพยาบาลกับเรื่องของหมอหมอและน้องพยาบาลนี้มีหน้าที่อะไรเราไปโรงพยาบาลไปทำไมเราไปโรงพยาบาลเพราะเราเจ็บไข้ได้ป่วย โรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาคนไข้ให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นสถานที่บันเทิงที่บริการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายฉันใดวัดก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลของจิตใจจิตใจมีความทุกข์ใจก็เป็นคนป่วยคนป่วยก็ต้องมารักษาที่วัด เพราะที่วัดมีธรรมโอษฐ์ที่จะรักษาให้จิตใจหายจากความทุกข์หายจากความวุ่นวายต่างๆได้วัดจึงไม่ได้เป็นสถานสถานบันเทิงไม่ได้เป็นสถานที่ให้มาเสบรูปเสียงกลิ่นลสดโหดทัพะแต่เป็นสถานที่ให้มาเสบสันติสุขคือความสงบเพราะถ้าใจมีความสงบแล้ว ใจก็จะหายจากความทุกข์ต่างๆความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากความไม่สงบของใจเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ราบยศรสารเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็เลยทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขทางราบยศสรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่อย่างถาวรพบก็เพียงแต่ความสุขชั่วประดิวประดาวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่ได้เสกก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจ เพราะไม่ได้ไปหาความสุขที่แท้จริงนั่นเองเพราะถูกความหลงหลอกไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาประกาศพระพุทธศาสนาถึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจของเหล่านี้เองไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปสิ่งกินติโพธิภพ ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจที่สงบอยู่ที่ใจที่ไม่หลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้ามีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ความสงบก็จะไม่มีความสงบก็จะหายไปพอไม่มีความสงบก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา พอยิ่งทุกข์ก็ยิ่งอยากหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแก้ยิ่งแก้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ที่ถูกต้องนั่นเองวิธีแก้ที่ถูกต้องก็ต้องมาอยู่วัดมารักษาศีลมาถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยมาละ ก, การหาความสุขทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมาสร้างความสุข ภายในใจให้เกิดขึ้นด้วยการควบคุมความคิดปรุงแต่งตั้งแต่เตื่นขึ้นมาจนหลับอย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดทพักอย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องราบดสสารเสริญเพราะถ้าคิดแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องนิ่นรนแสวงหา ก็จะมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความไม่สบายใจหามาได้แล้วก็ต้องมาห่วงมาห่วงมาต้องมารักษามาวิตกกังวลว่าจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือไม่เวลาจะต้องจากเขาไปก็ต้องเศร้าโศกเสียใจการหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจจึงไม่ใช่เป็นการสร้างความสุข แต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเราต้องมาหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆด้วยการเจริญสติเพราะถ้าเรามีสติเราจะหยุดความคิดได้เราอยากปล่อยให้ใจคิดใจเรานี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนลิงถ้าเราไม่มีเชือกผูกลิงไว้กับเสาลิงก็จะวิ่งไปวิ่งมาเพ่นผ่านไปอยู่ตลอด เวลาจะจับลิงเข้าคงก็จะจับเข้ามาไม่ได้ใจของเราก็เป็นเหมือนลิงที่คิดอยู่ได้ทั้งวันคิดแล้วก็หัวเลาะไปกับตัวเองร้องไห้ไปกับตัวเองสร้างความทุกข์สร้างความสุขไปกับตัวเองไม่เคยมีความสงบไม่มีความเย็นไม่มีความสบายเลยเราจึงต้องใช้เชือกคือสติมัดลิงคือใจตัวนี้ไว้ แล้วก็ลากลิงตัวนี้เอาเข้าโครงให้ได้เพราะถ้าจับเข้าโครงได้แล้วเราก็จะสบายลิงมันก็จะไม่เพ่นพ่านไปไหนมาไหนวิธีที่จะสร้างสติก็คือต้องระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <S <S เช่นให้ระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้นะลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยอยากคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้ามีเรื่องจำเป็นจะต้องคิดก็พักพุทโธไว้ชั่วคราวคิดให้เสร็จพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อถ้าเรามีพุทโธพุทโธอยู่ในใจตลอดใจของเราจะเย็นจะสบายจะมีความสุขจะไม่หิวไม่อยาก แล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาตอนนั้นจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ถ้าได้พบกับความสุขคั น, นี้แล้วจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปจะอยากให้ใจมีความสุขอย่างนี้ไปตลอดก็จะเพิ่มความเพียร เพิ่มการปฏิบัติอย่างถียิบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจะเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอออกจากสมาธิมาก็สอนใจให้ฉลาดให้พิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ความหลงหลอกให้ไปอยากได้ว่าเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่แน่นอน มีการเจริญมีการเสือ่อมไม่ถาวรนั่นเองมีการเกิดก็ต้องมีการดับสิ่งใดที่ให้ความสุขกับเราเวลาเขาดับไปสิ่งนั้นก็จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นเขาจะเกิดเขาจะดับก็จะไม่เป็นปัญหากับเราเราจะอยู่อย่างมีความสุขกับความสงบอย่างสบายใจ นี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากได้อะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะว่าไม่ถาวรไม่เที่ยงนั่นเองเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสั่งได้บังคับได้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา ถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เขาอยู่เขาก็จะอยู่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เขาอยู่เขาก็จะไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นี่คือเรื่องของการมาบวชการมาบวชนี้เพื่อเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติกัน ถ้าเป็นคารวะญาติโยงเราจะหาเวลาปฏิบัติไม่ค่อยได้เพราะเราจะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีภารกิจต่างๆแต่ถ้าเราออกบวชได้เราก็จะไม่ต้องมาทำมาหากินการทำมาหากินของเราก็ง่ายได้ตอนเช้าสะพายบาตรเดินเข้าไปในบ้านเพียงชั่วโมงเดียวกลับมาก็ได้อาหารพอรับประทานแล้ว แต่ถ้าเป็นคลราวานนี้ต้องทำงานอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงแล้วต้องเดินทางไปกลับอีกสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเวลาที่จะนำมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีการได้บวช น, นี้จึงถือว่าเป็นโอกาสอันวิเศษอย่างยิ่งเพราะว่าจะมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย หมดพ้นจากการเรียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเวลาที่เราได้มาบวชแล้วก็ขอให้เราใช้เวลาที่มีคุณค่านี้ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเถิดแล้วสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราการบวชของเราก็จะไม่เป็นการบวชแบบเสียเข้าสุข ไม่ได้บวชเพื่อมาอาศัยศาสนากินอยู่ไปวันวันหนึ่งแต่มาบวชเพื่อปลดจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะได้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาบวชมาปฏิบัติมาทาบุญให้ท่านได้นำเอาไปพิิจพิจารณาและปฏิบัติ